คือเตาไมโครเวฟเนี่ยผมทึ่งไม่ใช่ทึ่งที่มันทํางานได้ดีมไม่ใช่ทึ่งที่มาจากอาวสงครามนะมแต่ทึ่งที่คุณเพอร์ซีสเปนเซอร์เนี่ยเขาดันไปเจอจากความบังเอิญถ้าเขาไม่บังเอิญวันนั้นนะแล้วถ้าเขาบังเอิญไม่สังเกตเห็นนะ่ะหรือสังเกตเห็นแต่ไม่ทดลองต่อครับคือวิทยาศาสตร์มันเกิดจากการสังเกตจริงๆอย่างที่บอกอคือต้องสังเกตเห็นแล้วสังเกตเห็นแล้วมันต้องทดลองต่อยาวๆอะ่ะตรงนี้เป็นองค์ประกอบสําคัญมากที่ ที่ทำให้ชีวิตมนุษย์มันเปลี่ยน You're listening The o t Standard Podcast The Eye-opening Experience for your ears ใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์ Podcast วิทยาศาสตร์เนิร์ดๆที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกส์จากสิ่งรอบตัว ในโลกโล้วนฟิสิกส์ค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของเราอย่างไมโครเวฟเนี่ยก็ฟิสิกส์ด้วยเช่นกันนะคะเจ้าเครื่องนี้ที่มันไม่ได้เรียกร้องทักษะอะไรในการทําอาหารของเรามากนักแล้วก็ใช้เวลาน้อยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ยังไงนะคะวันนี้มาคุยกันค่ะเช่นเคยนะคะอยู่กับฟังรัตตาร์โรจิตพนาค่ะและผมปองแปงอาจวะรงจันทมาศครับเราเริ่มกันแบบนี้ดีกว่าค่ะว่าคลื่นไมโครเวฟเนี่ยมันคืออะไรคะที่ปองไปลงคลื่นไมโครเวฟใช่ไห ม, มคือการจะกล่าวถึงเตาไมโครเวฟก็ต้องพูดถึงว่า คลื่นไมโครเวฟคืออะไรก่อนอแต่ก่อนจะพูดถึงคลื่นไมโครเวฟเนี่ยผมขอสะดุดีพูดที่สร้างมันนะสะดุดีเลยนะสะดุดีเพราะว่าผมเนี่ยทำอาหารไม่เป็นเลยเลยไอทอดไข่ที่เขาบอกง่ายเนี่ยมันไม่ง่ายสำหรับผมเลยนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีเตาไมโครเวฟเนี่ยชีวิตของมนุษย์อย่างผมหรือผมว่าหลายคนนะอ่ะยากแคบบิดอ่ะเอาใส่แล้วบิดอ่ะคือมันง่ายอ่ะแต่ หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าคลื่นไมโครเวฟนี่มันคืออะไรใช่ไห ม, มเริ่มอย่างนี้ก่อนคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันมีอยู่หลากหลายช่วงนะครับนะช่วงแคบๆอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยตามนุษย์เรามองเห็นซึ่งก็ไล่ตั้งแต่สีม่วงคลามนั่นก็เขียวเรืองแสบแดงนะครับถ้าเหนือม่วงขึ้นไปจะเป็นคลื่นที่มีพลังงานสูงเรียกว่าอัลตราไวโอเลตสูงขึ้นไปก็จะเป็น พวกรังสี X รังสีแกมมาอะไรย่างนี้ไปแต่ถ้าต่ํากว่าแดงลงมาก็จะเป็นรังสีอินฟราเรดนะครับคือคลื่นมันจะยาวออกะนะแล้วใต้อินฟราเรดลงมาเนี่ยจะเป็นไมโครเวฟแล้วแล้วถัดจากไมโครเวฟจริงๆคือมันซ้อนๆกันอยู่เขาก็จะเรียกว่าคลื่นวิทยุนะครับดังนั้นคลื่นไมโครเวฟก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือเป็นญาติๆตระกูลเดียวกับพวกแสงพวกนี้แหละแต่ว่า ช่วงคลื่นมันยาวกว่านะค่ะแล้วเขามาคิดค้นเจอได้อย่างไรคะว่าไอ้คลื่นนี้มันจะมาช่วยนะในการอุ่นอาหารให้ทายว่าบริษัทที่คิดค้นเตาไมโครเวฟขึ้นมาได้เนี่ยขายอะไรถ้าเราคิดตรงไปตรงมาก็จะคิดว่าเขาคงต้องแนวเกี่ยวกับเครื่องครัวไหมทําอาหารใช่ไหม<อ>ไม่ใช่ครับบริษัทที่ริเริ่มเตาไมโครเวฟขึ้นมานะคือบริษัทชื่อ Radiation Technology ทำอะไรคะ่ะทําอาวุธสงครามค่ะ ฮะดูไกลกันมากเลยนะแบบว่าสงครามเออคือเรทีนเทคโนโลยีเนี่ยมีมานานแล้วมีตั้งแต่โอ้โหสงครามโลกครั้งที่สองก็ก็มีนะเขาในช่วงนั้นเนี่ยเขาขายอาวุธหลายอย่างค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาขายก็คือเครื่องปล่อยคลื่นไมโครเวฟมันจะมีตัวปล่อยคลื่นไมโครเวฟเรียกว่าก้อนแมกนิตรอนค่ะตัวเนี้มันจะปล่อยคลื่นไมโครเวฟออกไปถามว่าปล่อยไปทําไมมันเป็นส่วนสําคัญมากของอุปกรณ์ที่เรียกว่าเรดาร์เคยได้ยินไหม ตรวจจับใช่ไหมคะอ่าตรวจจับอากาศไซยานว่ามีเครื่องบินอยู่ตรงไหนอย่างไรซึ่งในสงครามโลกครั้งที่สองเขาใช้เยอะมากตั้งแต่อุปกรณ์ภาคพื้นก็ดองดูเครื่องบินมาไหมเครื่องบินด้วยกันเองก็ต้องตรวจจับเครื่องบินเรือก็ต้องตรวจจับดังนั้นใช้เยอะมากแต่ว่าเรดาร์จริงๆมันใช้คลื่นวิทยุอะนะแต่ว่ามันก็มีใช้ไมโครเวฟด้วยอะไรด้วยในในในของบริษัทนี้ แต่มันดูห่างไกลกับการจะมาอยู่ในห้องครัวของเรามากเลยนะคะมันไปบังเอิญยังไงให้กลายมาเป็นเจ้าไมโครเวฟนี้ได้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าเครื่องปล่อยเรดาร์ที่เป็นไมโครเวฟของฝั่งสัมพันธมิตรนะฮะ อ, อเมริกาอะไรต่างๆนนะเนี่ยนะ 80% เนี่ยซื้อมาจากบริษัท r a เ i o n t เทคโ o l ลยีนะอก็คือใช้บริการเลยในการทำศึกสงครามใช่ดังนั้นบริษัทเนี้ยคิดว่าการเงินเป็นไงฮะ น่าจะรวยมหาศาลอะรวยทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็รวยใช่คือเป็นผู้นําในด้านอาวุธสงครามมันหนึ่งเลยแต่ถามว่ามันเริ่มยังไงใช่ไหมจะไปคิดในช่วงสงครามมันก็กระไรอยู่เตาไมโครเวฟจริงๆเนี่ยมันเริ่มในช่วงประมาณปี194่ห้าซึ่งสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันสงบแล้วมันมันสงบไฟมันเริ่มเบาๆลงแล้วหัวหน้าวิศวกรชื่อคุณเพอร์ซี่สเปนเซอร์เนี่ยนะครับคนนี้เป็นเป็น Shi ีฟ เป็นหัวหน้าด้านการผลิตแมกนิตรอนเลยเขาเนี่ยก็ไปทำงานตามปกติวันหนึ่งแล้วก็ค้นพบอะไรบางอย่างนะคือพอไปเข้าใกล้เครื่องปล่อยสัญญาณเรดาร์ออกมาเนี่ยเขาเพบว่าในกระเป๋าเขาเนี่ยมันจะมีแ ท, ท, ท่งช็อกโกแลตอยู่เขาเพบว่าไอ้แท่งช็อกโกแลตนี้มันละลายเฮ้ยเขาก็แบบเฮ้ยอย่างวะอื อ, อหรือว่ามันเอามาใช้ในการทำอาหารได้เว้ยลองดูดีกว่า เขาก็เลยลองสิ่งที่เขาลองเป็นสิ่งแรกๆเลยฮะก็คือเม็ดข้าวโพดทำป๊อปคอนนะคะมันออกมาเป็นป๊อปคอนใช่ก็เลยแบบเฮ้ยโอเคเลยไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ลองกับไข่พราบว่าไข่มันระเบิดเฮ้ยไม่เวิร์กเว้ยระเบิดโปะเลยนะแต่หลังจากนั้นก็ลองลองอะไรกันมาก็เราพบว่าโอ้โหมันใช้อุ่นอาหารทําอาหารได้ระดับหนึ่งก็เอามาทําเป็นเตาไมโครเวฟขายเนี่ยมันเป็นสปินออฟมาจากบริษัท ขายอาวุธสงครามแหลมนะแต่ว่าทีนี้ไอ้หลักการของเจ้าเครื่องไมโครเวฟเมื่อกีก้เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยบางอย่างกับอาหารบางอย่างมันเวิร์กกับอาหารบางอย่างมันไม่เวิร์กมันทานํางานยังไงคะอ่าคือเตาไมโครเวฟเนี่ยบอกก่อนเลยมันได้เปรียบการใช้ไฟอุ่นอาหารยังไงหนึ่งคือสะดวก อ, อันนี้ชัวร์เลยคือถ้าผมต้องเอาเอาเนื้อเอาข้าวมาอุ่นอะไรสักอย่างมาอุ่นกับไฟเนี่ยไม่สะดวกเลยนะใช้ไฟ แล้วสองคือไฟเนี่ยมันให้ความร้อนมักจะเป็นด้านนอกอืมเหมือนแล้เอาลงกระทะหรือว่าอะไรมันก็จะที่พื้นผิวข้างนอกใช่หรือย่างอะไรสักอันหนึ่งเนี่ยผิวด้านนอกมันจะมันจะรับไฟเข้าไปเต็มๆมมันก็จะร้อนกว่าข้างในบางทีมันไม่ค่อยสุกอคือตอนตอนผมทำอาหารกิน่ะผมผมเอาไก่มาแล้วก็เอามาย่างอืมผมอาหารเป็นพิษเลยนะคือไก่เขาไก่ดิบเข้าไปใช่ไหมใช่ข้างในมันไม่สุกไงแต่ข้างนอกมัน มันไม่อะผมก็ตัดออกแล้วมันไม่สุกไม่ทั่วถึงถ้าไมโครเวฟเนี่ยมันค่อนข้างจะทั่วถึงเนาะเพราะมันเป็นคลื่นไมโครเวฟอันนี้คือความแตกต่างเลยคุณความทั่วถึงนะครับแต่ถามว่าไมโครเวฟมันไปทําให้สุกได้ยังไงใช่ไหมไมโครเวฟคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความที่มันมีสนามไฟฟ้าเนี่ยมันไปทําให้อะไรบางอย่างในอาหารเนี่ยทำให้อาหารสุกอะไรบางอย่างที่ว่าก็คือน้ำฮะโมเลกุลของน้ำเนี่ยเคยรู้สึกจะเคยพูดไปแล้วในตอนเกี่ยวกับน้ำนะว่า โมเลกุล H2O เนี่ยมันมีความเป็นขั้วไฟฟ้าอ่อนๆ อ, อ, อยู่ <Ừ. S 1> นะครับตัวมันเป็นกลางก็จริงแต่มันมีขั้วไฟฟ้าอ่อนๆ อ, อ, อยู่ด้วยเหตุผลบางอย่างนะทีนี้ความเป็นขั้วอ่อนๆเนี่ยทำให้ตัวมันเนี่ยตอบสนองตอ่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า<อ>ซึ่ง<อ>เป็นไมโครเวฟซึ่งส่วนใหญ่อาหารหรือว่าถุดิบการทําอาหารของเราก็จะมีน้ํามันก็มีมมมน้ําอยู่แล้วแหะ ม, มากน้อยแตกต่างกันออกไปนะครับโดยองค์ประกอบโดยอะไรแล้วพอโมเลกุลของน้ําเจอคลื่นไมโครเวฟเนี่ยมันก็เกิดการ สั่นไปมามหมุนสั่นดุกๆอย่างรวดเร็วเร็วมากๆไอ้ความเร็วสูงมากๆตรงนี้เนี่ยมันทําให้มันเนี่ยเกิดการอินเตอร์แอคหรือเกิดปฏิยากับโมเลกุลรอบข้างต่างๆเกิดการเสียดสีอะไรพวกนี้จะเกิดเป็นความร้อนออกมาเนี่ยมันทําให้เกิดความสุกอย่างทั่วถึงนะครับแต่กระนั้นก็ตามคลื่นไมโครเวฟเนี่ยมันเกิดจากก้อนก้หนึ่งที่เรียกว่าตัวปล่อยไมโครเวฟเรียกว่าก้อนแมกนีตรอนก้อนแมกนีตรอนเนี่ยจะปล่อยคลื่นไมโครเวฟออกมา เขาปล่อยออกมาปุ๊บมันจะต้องมีท่อนําคลื่นเหมือนเลี้ยงน้ำอะฮะนำน้ำเนี่ยมาสู่เตาซึ่งเอาไว้ใส่อาหารเข้าไปอไอ้ท่อตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเวฟไกด์นะฮะจะเป็นท่อสั้นๆแหละแล้วก็<อ>มาสู่ตเต า, าใช่อพอคลื่นมาถึงเตาสิ่งที่เกิดขึ้นคือคลื่นมันก็จะตีไปมาผสมผสานจนเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าคลื่นนิ่งคล้ายๆกับตอนเราดีดสายกีตาร์แล้วมันแล้วมันเป็นคลื่นนิ่ง ถ้าเรานึกภาพเคลื่อนนิ่งเนี่ยเราจะพบว่ามันจะมีจุดเล็กๆที่เคลื่อนมันไม่ค่อยสัน่นเขาเรียกว่าโนด อ, อ่ะไอโนด ต, ตรงเนี้ยอุณหภูมิจะต่ำกว่าชาวบ้านเขาค่ะนี่เป็นปัญหาที่ทำให้เตาไมโครเวฟเนี่ยจะต้องหลีกเลี่ยงการเกิดโนดวิธีการหลีกเลี่ยงคือเขาก็ให้จานเนี่ยมันหมุนซะเลยใช่พอหมุนปุ๊บอ่ะโนดก็จะร้อนทั่วถึงละ คือถ้ามันไม่หมุนปุ๊บเนี่ยมันจะมีจุดที่มันไม่สุกหรือว่า<ช>จุดที่มันอุ่นน้อยกว่าเพื่อ น, นะะอะไรแนี้คือถ้า<อ>ทดลองดูน ะ, ะถ้าไม่ให้มันหมุนน ะ, ะมันจะมีบางจุดเลยสมมติเอาชีสไปเข้าเตาไมโครเวฟแบบไม่หมุนนะฮะบางจุดมันจะแบบโอ้โหไม่สุกไม่ละลายสักเท่าไหร่อะไรแบบเนี้น่าสนใจมากก็เลยทําให้โอเคมันมาเป็นตัวเครื่องไมโครเวฟจนทุกวันนี้น ะ, ะใช่ งั้นแปลว่าในตัวของคลื่นไมโครเวฟเองจริงๆมันไม่ได้สร้างความร้อนใช่ไหมอ่ามันไม่ได้สร้างความร้อนขนาดนั้นคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันคือการส่งผ่านพลังงานแหละดังนั้นการส่งผ่านพลังงานมันก็ทําให้เกิดความร้อนได้แต่มันดันไปส่งปฏิยาต่อน้ำนะตรงนี้เป็นคีย์สาคัญเลยนะครับใช่เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวผมขยายความนิดนึงก็แล้วกันเกี่ยวกับตัวปล่อยคลื่นไมโครเวฟที่หลายคนอาจเอาไปทดลองเล่นที่บ้านได้ด้วยนะคือตัวปล่อยคลื่นไมโครเวฟที่เรียกว่าแมกนีตรอนเนี่ยนะครับ คือถ้าแกะออกมาดูนะมีมีเตาไมโครเวฟแบบจริงจอยากแกะเลยคือมันจะพัง <laughs> แต่ว่าถ้าสมมุติมันพังแล้วอะอแล้วแบบอยากแกะออกม า, ากดูอยากเล่นอยากเล่นตัวก้อนแมกนีตตอนมันเป็นก้อนที่แบบดูบ้า น, านมากเลยอะแต่การทํางานมันซับซ้อนมากมคือหลักๆคือตัวก้อนแมกนีตตอนเนี่ยมันจะมีตัวปล่อยอิเล็กตรอนออกมานะฮะมันปล่อยอิเล็กตรอนออกมาแล้วมันจะต้องมีแท่งแม่นีเต็กที่ทําหน้าที่เบรคลำอิเล็กตรอนที่พุ่งออกมาเนี่ยให้มันโค้งพอโค้งแล้วเนี่ย ความโค้งเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่ทําให้ความโค้งเนี่ยบิดไปรอบๆคล้ายๆกับใบพัดแล้วมันก็จะแผ่คลื่นไมโครเวฟออกมาได้คือเนียวนําให้เกิดคลื่นไมโครเวฟแล้วกัน <ừ> แต่ที่ผมว่าเล่นได้จริงๆไม่ใช่ให้แก่นะแต่ว่าผมเคยเล่นที่บ้านคือลองเอาเดี๋ยวก่อนพี่แกะไมโครเวฟไม่ไม่แก่ไม่แก่คืออ่าคือถ้าแก่ก็พังและถ้าไมโครเวฟพังชีวิตผมจะพังดังนั้นผมก็จะเล่นด้วยวิธีไม่ต้องแกะก็คือลองเอาเหล็กเหล็กอะไรก็ได้นะครับลองเอาไปวางไว้รอบๆเตาอะ มันจะมียุดจุดหนึงแถวแถเตา <ๆ S 2> ที่แบบเหล็กมันโดนดูดอะตรงนั้นอะคือก้อนแมกนีตตอนอยู่แถวแถวนั้น<อ>ใช่ใช่ลองดูครับก็จะพบว่ามันมีนมเล่นแค่นี้ก็พอโอเคใช่แต่ถ้ามีคําถามอยากรู้อีกว่านอกจากในเชิงแบบวันนั้นเป็นอาวุธเนอะมาสู่การเป็นเครื่องที่ใช้ในการประกอบอาหารแล้วเนี่ยเครื่องไมโครเวฟเนี่ยมันใช้ทําอย่างอื่นอีกไหมคะหลักๆแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะก็ประยุกต์ใช้การประยุกต์ใช้เนอะก็ใช้ในการทําเรดาร์ด้วยแต่ว่า เรดาร์เนี่ยเป็นเรื่องของการศึกสงครามเดี๋ยวนี้ก็เป็นอากาศายานนะเป็นเรื่องอากาศายานคือตรวจจับเครื่องบินอะไรต่างๆแต่ว่าอีกวงการหนึ่งที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้ก็คือดาราศาสตร์โอใช้ทําอะไรอะคะเราตรวจจับคลื่นไมโครโวเวฟที่มาจากนอกโลกเพื่อนในการศึกษาวัตถุต่างๆคือวัตถุต่างๆในอวกาศเนี่ยมันปล่อยคลื่นแสงออกมาปล่อย infrared, อินฟราเรดปล่อยคลื่นวิทยุแล้วมันก็มีปล่อยไมโครเวฟด้วยนะปล่อยเอ็กซาเรย์ปล่อการตรวจจับไมโครเวฟก็จะทําให้เราทําความเข้าใจมัน ได้ในแบบไมโครเวฟไมโครเวฟแล้วก็ในประวัติศาสตร์เองเนี่ยการตรวจจับคลื่นไมโครเวฟเนี่ยมันทำให้นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์พบเห็นสิ่งที่เรียกว่าคอสมิกไมโครเวฟแบ k กราวด์ก็คือคลื่นไมโครเวฟที่มันกระจายอยู่ทั่วทั้งเอกภพเลยตอนนี้ ม, มันกระจายอยู่ทั่วเลยนะเขาเลยเรียกว่าคอสมิกไมโครเวฟแบ k กราวด์คือพื้นหลังของเอกภพกระจายทั่วเอกภพด้วยความสม่าเสมอราบเรียบสูงมากมซึ่งไอตัวคลื่นไมโครเวฟตรงเนี้ย มันเกิดมาในช่วงที่เอกภพยังอายุน้อยมากๆคือหลังบิ๊กแบงไม่นานคือการจะศึกษาเอกภพที่เก่าแก่ที่สุดตอนเนี้ยเราศึกษาผ่านคอสมิ m ไมโครเวฟแบ็ k กราวน์นะอเพื่อรู้ว่าที่ผ่านมามันเป็นยังไงใช่เอกภพในยุคก่อนที่เป็นในยุคดึกดบัรมากๆเนี่ยมันมีธรรมชาติอย่างไรแล้วก็ศึกษาจากเครื่อ m ไมโครเวฟนี่แหละโอเจงห ม, งมแล้วก็คอสมิกไมโครเวฟแบ็กกราวน์ยังเป็น สิ่งที่ช่วยยืนยันการเกิดเอกภพที่เรียกว่า Big Bang ได้ทางหนึ่งด้วยตรงนี้ไว้เล่าให้ฟังในตอนกำเนิดเอกภพก็แล้วกันนะครับคือเตาไมโครวเวฟเนี่ยผมทึ่งไม่ใช่ทึ่งที่มันทำงานได้ดีไม่ใช่ทึ่งที่มันมาจากมาจากอุโมงสงครามนะแต่ทึ่งที่คุณ p e อร์ s p e n เป r เซอร์เนี่ยเขาดันไปเจอจากความบังเอิญถ้าเขาไม่บังเอิญวันนั้นนะโอ้โหแล้วถ้าเขาบังเอิญไม่สังเกตเห็นอนะ หรือสังเกตเห็นแต่ไม่ทดลองต่อครับคือวิทยาศาสตร์มันเกิดจากการสังเกตจริงๆอย่างที่บอกคือต้องสังเกตเห็นแล้วสังเกตเห็นแล้วมันต้องทดลองต่อยาวๆอ่ะตรงนี้เป็นองค์ประกอบสําคัญมากที่ที่ทำให้ชีวิตมนุษย์มันเปลี่ยนผมก็เลยนี่แหละต้องสะดุดดีคนที่ที่ที่บังเอิญบังเอิญเห็นบังเอิญสังเกตแล้วก็สังเกตแล้วก็ทดลองต่อ ถึงแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปไม่ได้มีสงครามแล้วก็บริษัทของเขาถูกดิสลั์แล้วแต่ว่ายังมีแบบจากความบังเอิญ น, นั้นเนาะมาสู่แบบโมเดลสิ่งของใหม่ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรารู้สึกได้ว่าฟิสิกส์เนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันจริงๆ <c oughs> แล้วมันก็ใกล้ตัวเหมือนกับชื่อรายการของเราเลยว่าใดๆในโลกโล้นฟิสิกส์นะคะ ใครฟังตอนนี้เรารู้สึกว่าอยากรู้เรื่องอื่นอีกที่ใกล้ตัวเราคิดว่าน่าจะมีฟิสิกส์เนี่ยช่วยอธิบายได้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะฝากกด Subscribe YouTube c h a ของ l ขอ The Standard Podcast และติดตามรายการใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์ได้ในทุกๆ Podcast Player เลยค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ The Standard Podcast i y e Opening for Your Ears